เราอยู่บนโลกแตวังให้ข้าพเจ้าย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าเราอยู่บนโลกโลกของเราใบนี้ละ่ะโลกของเราใบนี้เป็นดวงที่สามในระบบสุริยะจั ก, กรวาลโลกของเราใบนี้ที่เรานั่งอยู่ยื น, ยนอยู่เดินอยู่ได้ยินเสียงนี้อยู่อยู่ในโลกของเราใบนี้ให้ข้าพเจ้าย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าเราอยู่บนโลกโลกใบนี้สุข ก, ก็มี ทุกก็มีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฤดูหนาวอากาศมันก็เย็นลงฤดูร้อนอากาศมันก็ร้อนขึ้นมันอาจจะร้อนขึ้นมากร้อนขึ้นน้อยเย็นลงมากเย็นลงน้อยตามสภาวะสิ่งแวดล้อมแต่มันมีเย็นเย็นร้อนๆอนขึ้นขึ้ น, นลงลงหมุนเวียนเปลี่ย น, ปยนแปลงไปบางปีก็แล้งบางปีก็น้ําท่วมเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับโลก สุขก็มีทุ ก, ก็มีซึ่งความสุขนี้มันก็มาในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นการได้เงินทองที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นการที่มียศมีตาแหน่งมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าตือตาหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะมาในรูปแบบต่างๆละ่ะเช่นการเสียเงินเสียทองการที่ถูกเขาดา่าถูกเขาว่าถูกถอดยศลดตาแหน่ง หรือมีถุกคนว่าให้ร้ายนินทาพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับโลกใบนี้เราเห็นกันอยู่ทุกวันตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เป็นประสบการณ์ของคนอื่นบ้างหรือแม้แต่เกิดขึ้นกับตัวเราเองสุกทุกในวันวันหนึ่งว่ามีหลายรอบพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึงเรื่องของโลกธรรมที่มาในรูปของความสุขและความทุกข์มาในเรื่องของลาบได้ลาบมาในเรื่องของได้ยศมียศตำแหน่งมีอำนาจ มาในรูปของเสียงสรนเสริญเยินยอแต่มีคนยกย่องเราไม่รู้ละ่ะยกย่องด้วยว่าเขาหวังลาบจากเราหรือว่าเขากลัวภัยจากเราหรือว่าเขารักเราเขาจึงยกย่องเราสรนเสริญ เ, เราหรือว่ามึนๆงงๆไม่รู้ทําตามก็เดินมา ก, ก็ยกย่องเราเดินสรนเสริญแบบนี้ก็มีหรือมาในความสุขที่เกิดทางตาทางหูในด้านอื่นๆแต่ความสุขนะหายจากความเจ็บไข้อย่างใดอย่างหนึ่ง เดินทางมากับปลอดภัยไม่มีภัยอันตรายหรือว่าแม้แต่ความสุขที่เกิดในสมาร์ีก็ตามอันนี้เป็นลักษณะของความสุขที่เกิดขึ้นในโลกนี้เดี๋ยรู้สึกได้ในปัจจุบันนี้เห็นได้ในทิฏฐธรรมในปัจจุบันนี้หมายถึงทิฏฐธรรมคุณเห็นได้ชัดเจนบางที่เราไปนั่งสมาธิมาก็มีความสุขความสุขแบบนี้ก็อยู่คู่กับโลกนี่แหละโลกของเราใบนี้แหละคนที่มันไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้เรามีความสุขในใจไม่ได้อยู่บนโลกมันอยู่ที่ไหนก็อยู่บนโลกนี่แหละ ความทุกข์ล่ะก็มีความทุกข์มาในรูปของการต้องเสียเงินเสียทองบางคนเงินทองที่เก็บมาตั้งชีวิตหายไปหรือว่าถูกโกงไปซึ่งซึ่งหน้าในสิ่งอะไรที่เราทําไว้หายไปในปริบตาเดียวอาจจะโกงจากคนนี่ก็ได้หรือว่าถูกโกงจากธรรมชาติเห็นบางทีฝนมันไม่ตกฝนมันตกมันแรงมันควรจะต้องตกนะที่ฉันทำไว้มันจะเป็นลาบเป็นเงินเป็นทองเกิดขึ้นมาเน่ยมันก็หายไปต่อหน้าต่อตาเป็นความเสื่อมลาบก็มี การถูกถอดยศลดตำแหน่งเสื่อมยศก็ไม่ใช่เฉพาะในทางราชการทางเอกชนก็มีเหมือนกันแต่หรือไม่ใช่เฉพาะแต่ในบริษัทห้างร้านที่มีพนักงานเป็นขั้นเป็นขั้นถ้าถูกถอดยศอันนี้ก็เสื่อมจากยศหรือแม้แต่พ่อค้าคนเดียวเนี่ยเราทําธุรกิจคนเดียวเดี๋ยวก็ต้องมาทําตำแหน่งนี้เดี๋ยวต้องทำตำแหน่งนั้นอย่างคนที่ทําร้านอาหารคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็มาเป็นคนเก็บเงินเดี๋ยวก็ไปลวกก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมาล้างจานทําอยู่คนเดียวเนี่ย ก็มีทั้งได้ยศมีทั้งเสื่อมยศเหมือนกันถูกนินทาด่าว่าให้ร้ายแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงก็ตามบางคนทําไม่ดีถูกเขาดา่าถูกเขาว่าแต่ก็คิดว่าตัวเองถูกนินทาก็มันเสียงที่ไม่น่าพอใจมันเกิดขึ้นในโลกหรือความทุกข์ที่มาในรูปแบบต่างๆอย่เช่นคุณปวดท้องคุณต้องไปถ่ายทุกข์ในความทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งจะรักษาหายรักษาไม่หายก็ตามแต่มีความทุกข์ทางกาย ทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นได้หรือเป็นอุบัติเหตุ 6. ลม้มรถชนของหายโอ้มีหลายอย่างความทุกนี้ยังรวมถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจด้วยเช่นเรากลุ่มใจเรื่องใดเรื่องหนึง่งพวกนี้รวมอยู่ในความทุกข์หมดยังรวมถึงความทุกข์ที่เกิดจากสมาธิเสื่อมด้วยแต่บางคนไปนั่งสมาธิมีความสุขเรียบร้อยสบายใจละอยู่มาวันนึงอ้าวทาไมนั่งสมาธิไม่ได้เหมือนเดิมเฮ้เป็นความทุกข์ทุกใจฉันเป็นอะไรไปนี่ก็เป็นความทุกข์แต่พวกนี้เกิดขึ้นในโลกน้ำมือัง ถ้าสุขหรือทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในโลกเป็นอยู่อย่างนี้มันจะทําให้เกิดพบได้พบในที่นี้หมายถึงความเป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งสุขหรือทุกข์ที่เรารับรู้รับทราบอยู่เช่นการได้ลาบหรือการเสื่อมลาบเป็นตน้นสามารถเป็นที่ทําให้เกิดสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาได้เช่นคนที่เริ่มโครงการใหม่หรือเปิดบริษัทใหม่มีเงินมีทองขึ้นมาถ้าจิตใจเขามีความยินดีในสิ่งนั้น แต่มีความยินดีในลาบที่เกิดขึ้นอันนั้นจะเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งของเขาขึ้นมาทันทีแตจิตใจของคนที่มีความยินดีในความสุขได้ได้สักอย่างได้อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเช่นว่ามีคนตั้งตําแหน่งให้ใหม่เราได้ตําแหน่งใหม่เป็นสภาวะใหม่สภาวะหนึ่งขึ้นมาแต่คุณจากลูกน้องมาเป็นหัวหน้าสั่งการได้คุณมีสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาใหม่สภาวะนั้นแหละก็เรียกว่าเป็นพพ หรือคนที่หายจากการเจ็บไข้หายจากการเจ็บไข้ก็ยินดีในการหายจากการเจ็บไข้นั้นยินดีในการที่เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นมาไอ้ความที่เรามีส <c oughs> ุขภาพแข็งแรงการที่เราหายจากการเจ็บไข้นั้นมันจึงเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งเป็นพบของเราขึ้นมาจิตแจ้งเรามีความยินดีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงเป็นสภาวะหนึ่งขึ้นมาให้เรามีความยินดีได้หรือในกรณีที่เขามีคนยกย่องเรา ยกย่องนับหน้าถือตามาพูดดีๆอย่างนั้นอย่างนี้แต่นะถ้าเรามีความยินดีในสิ่งนั้นมันเหมือนเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งนะที่ทำให้จิตของเราเข้าไปเกลือกลั้วที่ทำให้จิตของเราเข้าไปตั้งอยู่ที่ทำให้จิตของเราไปอยู่ตรงนั้นได้นี่ก็เรียกว่าเป็นลักษณะของพบได้พอสัมเพาพอพานพบนหมายถึงสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่ให้จิตของเรา น, นั้นไปเกลือกลัวได้ในทางตรลงข้ามก็เหมือนกันนะบุฟังบางคนเสียไร่เสียนา เสียทรัพย์สินเงินทองแล้วเกิดมีความยินร้ายในสิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงเป็นเหมือนสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่ให้จิตของเขาเนี่ยไปเกลือกลัวได้ไอความที่เป็นสภาวะนั่นจึงเรียกว่าสิ่งที้ว่าเป็นภพเราถูกเขาด่าเขาว่าแเราจะไม่ถูกสังคมประนามทั้งทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรผิดหรือว่าถูกสังคมประนามทั้งๆ้งที่ทําจริงก็ตามแต่ถ้าจิตเรามีความยินร้ายในสิ่งนั้นจิตมันจะก็ไปเกลือกลัวและเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวเป็นตน เห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของที่น่ายินร้ายถ้าเป็นอย่างนี้มันเหมือนเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นภพหรือแม้แต่ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ถูกโรครุมเรา้าจะรักษาหายก็ตามรักษาไม่หายก็ตามมีความรู้สึกทางกายที่เป็นทุกข์ล่ะถ้าเบอกว่าเราเข้าไปยินร้ายในสิ่งนี้แล้วแต่มันเหมือนกับเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาทันทีในจริงแล้วเขาจะมีการเข้าไปเกลือกลั้วตั้งอยู่ในสิ่งนั้น เห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนคนที่มีความยินดีในสิ่งที่น่ายินดีมีความสุขเหล่านี้เป็นต้นคนที่ยังมีความยินร้ายในผัสาะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจแต่มีความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาทันที น, นั่นก็เรียกว่าพบแต่รหวังเป็นพบจะเปลี่ยนสภาวะแล้วจากคนที่ไม่มีเงินไม่มีทอง เปลี่ยนเป็นคนที่มีเงินมีทองขึ้นมาเป็นเศรษฐีขึ้นมาเรายินดีในความเป็นเศรษฐีนี้อา้าวนั่นเป็นพบใหม่ของคุณทันทีหรือจากเศรษฐีมั่งมีสีสุขมีเงินทองเอาค้าขายขาดทุนบ้างเงินทองหายบ้างเอาเปลี่ยนเป็นยาจบหรือมีความยินร้ายในสิ่งนั้นอา้าวมันก็เป็นสภาวะใหม่ขึ้นมาเป็นพบขึ้นมาคนที่หายจากการเจ็บไข้สุขภาพดีขึ้นมาคนที่ประสบอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งมีความยินร้ายในสิ่งนั้น เกิดเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาหรือคนที่นั่งสมาธิเอาคนที่นั่งสมาธิจิตสงบรวมลงเป็นอารมณ์อันเดียวและมีความสุขในภายในแมมเกิดยินดีในสิ่งนั้นขึ้นมาและมันเหมือนเป็นสภาวะใหม่ขึ้นมาทันทีบางคนเหมือนรู้สึกเกิดใหม่ด้วยซ้ําแหมฉันมีความสุขในใจไม่เคยพบมาก่อนเลยเหมือนเกิดใหม่จริงๆแสดงว่ายังมีความยินดีในความสุขนั้นถ้าเรามีความยินดีในความสุขนั้นพบนั่นคือสภาวะนั้นเกิดขึ้นทันที ถ้ามีพบมันเหมือนกับเกิดใหม่เป็นที่ใหม่ที่เราได้ไปอยู่มีการเกิดแล้วในก่ริติมีการเกิดแล้วก็ไม่พ้นละ่ะจากความแก่ความตายความโศกความร่รํารรำบันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแกนใจทั้งหลายหรือบางทีเราเคยได้สมาธิแล้วมีความสุขจากในภายในเฮ้ทำไมนั่งวันนี้แล้วมันไม่ได้ถ้าเรามีความยินร้ายในสิ่งนั้นมันเหมือนเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งเกิดมาทันทีนะบ๊อัง ใิตขอเข้าไปเกลือกลั้วได้ว่าเฮ๊ะ hey, ทำไมไม่ได้ทําไมเป็นอย่างนี้นั่นเป็นสภาวะหนึ่งขึ้นมามันเป็นพบขึ้นมาจิตเราเข้าไปเกิดแล้วเข้าไปเกลือกลั้วในสิ่งนั้นพอเข้าไปเกลือกกลั้วแล้วเป็นการเกิดจันดีเป็นการเกิดเป็นชาติก็ไม่พ้นจากความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแกงใจทั้งหลายก็เรียก ว, ว่าไม่พ้นไปจากทุกได้ความเกลือกกลั้วตรงนี้ ทั้งยินดีในภัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจทั้งยินร้ายในภัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่พอใจความยินดีความยินร้ายทั้งหมดนี่แหละมันทําให้เกิดเป็นพบได้เกิดเป็นสภาวะได้เกิดเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเข้าไปยึดถือในสิ่งนั้นได้เรามีความยึดถือแต่บ่วงเสร็จมาแน่นอนฟังอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่มันสุขและทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลา เอาแค่ตื่นช้ามานี่เจอสุข ก, ก็เจอแล้วทุกก็เจอแล้วแต่ไปเข้าห้องน้ำมานี่เหมือนทุกทายออกเรียบร้อยเหมือนสุขทันทีทั้งสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นมันเป็นภพของเราได้จึงต้องฟังให้ดีว่าภพเนี่ยมันเกิดตอนไหนมันเกิดก็ต่อเมื่อเรามีความยินดีในภาระอันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจภพมันจะเกิดตอนที่เรามีความยินร้าย ในภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจความยินดีในลาบในยศยินดีในสรรเสริญยินดีในสุขความยินดีตรงนี้นนจะทำให้สิ่งนั้นเป็นภพของเราทันทีความยินร้ายในการเสรื่อมลาบความยินร้ายในการเสื่อมยศความยินร้ายในนินทาความยินร้ายในความทุกข์ความยินร้ายนั้นจะทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นภพของเราขึ้นมาทันที เป็นทั้งพบเป็นทั้งวิภพบเป็นท right? cool ั้งพบคือสภาวะที่เราอยากได้เราต้องการเรามีเราเป็นจิตเกลือกลัวได้เป็นทั้งวิภพคือสภาวะที่เราไม่อยากได้แต่จริงเราก็ไปเกลือกลัวมันอยู่นั่นแหละเพราะมันมีวิภพบมันมีวิภวะตัณหาตัณหาถ้าไม่เกิดความยึดถือความยึดถือทําให้เกิดพบตัณหาชนิดที่ทั้งอยากได้ตัณหาชนิดที่ทั้งอยากที่จะไม่ได้จะทำให้เกิดความยึดถือเกลือกลัวตรงนี้แหะ ความยึถือเกลือกล้วเกิดขึ้นเมื่อไหร่จิตเราไปติดตึ๊บตรงนั้นเลยจิตเราจะเข้าไปก้าวลงตรงนั้นสภาวะนั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นภพของเราได้และเป็นภพขึ้นมาจริงๆล่ะเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นภพถ้าจิตไปมีภพอย่างนี้นันเป็นผลของความยินดียินร้ายนะภพนี้เกิดขึ้นเป็นผลของความยินดีและยินร้ายในสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจพอมีภพแล้วอย่างนี้จิตขอเราก็จะไปมีการเกิด และมีการเกิดจึงเป็นจิตที่เสร็จมานแน่นอนเพราะก็จะมีความแก่ความตายเข้าไปหลงอยู่ในกับดักของมานทันทีมานก็จะได้ช่องหือตลอดเวลาละ่ะทั้งเรื่องความสุขมันก็ได้ช่องทั้งเรื่องความทุกข์มันก็ได้ช่องมันก็จะเอาคดักมาล่อเราตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นเซื้อตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้ น, น, นและมันจะเป็นพบได้ความสุขความทุกข์มาในรูปแบบต่างๆสามารถถูกสร้างเป็นพบได้จากจิตของเราแต่ที่มีความยินดีความยินร้ายนั่นเอง แล้วมันสามารถเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ได้หรือเกิดขึ้นทีละอย่างแบบสุดๆไปเลยอย่เช่นบางคนได้4อย่างด้านสุขอย่างเดียวได้เงินด้วยมีอำนาจลูกน้องมีคนยกย่องได้รับความสุขด้านต่างๆมีอาหารกินดีดนตรีเพราะๆฟังที่บ้านมีแอร์เปิดเย็นสบายมีผ้าหม่มนุ่มๆห น, นาๆอุ่นดีนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมด้วยฝึกปฏิบัติก็เห็นความสุขในสมาธิด้วยแม่สุขหมดเลยอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งพบได้ทั้งสิน้นหรือด้านทุกอย่างเดียว เงินก็เสียหรือถ้าบริษัทเจ้งก็หมดตำแหน่งของเราไปด้วยไอ้ที่เราฝึกนั่งปฏิบัติรำมาโอ๊ยทําไมวันนี้มันทําไม่ได้พวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งพบได้ทั้งสิน้นหรือบางคนทั้ง2 อ, อย่างเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างที่บอวันนี้ค้าขายได้กําไรแต่มก็ยังมีขาดทุนสะสมอา้าวทั้งเสื่อมลาบได้ลาบแล้วเกิดขึ้นพร้อมกันหรือวันนี้ค้าขายขาดทุน แ, แต่ก็ยังมีกําไรสะสมมาเสื่อมลาบแล้วก็ได้ลาบแล้วเกิดขึ้นพร้อมกันถูกปรับลดเงินเดือน แต่ก็ยังมีเงินเดือนอยู่แต่ถูกปรับลดทนั่นเองแต่ก็เสื่อมลาบทั้งนั้นที่มีลาบด้วยในกลุ่มหนึ่งชม่มอีกกลุ่มหนึ่งก็ดาเศรษฐกิจดีดอกเบี้ยมไม่สูงมากแต่ก็ยังเป็นหนี้ธนาคารอยู่แต่วันนี้อาการดีขึ้นหน่อยยังพอกินข้าวได้แต่ก็ยังไม่มีแรงแต่มีทั้งสุขและทุกข์ปนกันอยู่พร้อมกันมีทั้งพบและวิภพปนกันอยู่พร้อมกันทีนี้บางทีเนี่ยสมมติถ้าเราเป็นหนี้ธนาคารใช่ไหมเราเป็นหนี้ธนาคารเราไปกู้เงินมาลงทุน เ, เราไปค้าขายได้กําไร แต่ยังเป็นหนี้ธนาคารอยู่อย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าเอออันนี้ก็เห็นความไม่เที่ยงได้นี่นะฉันก็มีทั้งหนี้ด้วยทั้งได้กําไรด้วยเห็นความไม่เที่ยงได้คือเราจะยินร้ายในเรื่องของหนี้สินน้อยกว่าเพราะว่าเรามีความยินดีในเงินทองที่เราได้มามากกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นตะ บ, บูฟังการเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าการเกิดขึ้นของคู่ตรงคาํคาคขออีกคั้งหนึ่งนะสมมุติว่าเรามีทั้งนินทาและสรรเสริญแต่คนด่าเราก็มีแต่คนชมเราก็มี และส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้มีทั้งด่าลและทั้งชมปนกันนั่นเราบอกเราเห็ความไม่เที่ยงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรือว่าไปห้องน้ำเราเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์แต่ก็จะมีความคิดว่าเออฉันฉันไม่ถูกครอบงำจากทั้งสองอย่างหรอกแต่เพราะว่าฉันเห็นทั้งสองอย่างแล้วอย่างหนึ่งมันเกินเหมือนจะดึงอีกจากอีกอย่างหนึ่งไปแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะบูฟังไม่ใช่ว่าเราจะเห็นความไม่เที่ยงได้จากการที่เห็นคู่ตรงข้ามเกิดขึ้นนะฝ่อยกลางหนึ่งนะสมมติว่าเราเห็นคู่ตรงข้ามเกิดขึ้น เราทั้งได้ลาบทั้งเสื่อมลาบตอนเช้าถูกชมตอนเย็นถูกด่าตอนเช้าได้กําไรตอนเย็นค้าขายขาดทุนเห็นสองอย่างแล้วคิดว่าจะเห็นความไม่เที่ยงมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าเรายังยินดีในสิ่งที่น่าพอใจหรือยินร้ายในสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสองอย่างก็ชื่อว่ายัางถูกครอบงําอยู่ยังไม่เห็นความไม่เที่ยงคนที่เป็นนี่ธนาคารเอาดูแต่ทําไมคุณยินดีในเงินทองที่ได้มาคุณไปกู้เงินมาลงทุน แต่เป็นหนี้นี่มันไม่ดีนะแต่ผมรู้สึกไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่เพราะว่าเรายังค้าขายได้กําไรก็แสดงว่าความยินร้ายในหนี้ของคุณเนี่ยมันน้อยคุณจึงรู้สึกว่ามันไม่น่ากังวลเท่าไรเพราะความยินร้ายมันน้อยแต่ไม่ใช่ว่าเห็นความไม่เทียงเรายินดีในกําไรที่เราได้มากกว่าเราจึงรู้สึกพอใจตรงนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าความยินร้ายมันหายไปแต่ความยินร้ายมันน้อยกว่าทําให้มันเห็นไม่ชัดเจนหรือว่าถ้าเราค้าขายขาดทุนแต่มีกําไรสะสม แต่เรายินร้ายในการขาดทุนตรงนั้นน่ะมากกว่าแต่เรายินดีในกําไรที่สะสมอยู่น้อยกว่าอันนี้มก็จะเป็นภพที่ให้จิตของเราเข้าไปเกลือกลัวได้เป็นความทุกข์ได้ทั้งสองทางมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของความยินดีหรือความยินร้ายนั้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคู่ตรงข้ามแต่โฟังแต่คู่ตรงข้ามที่เกิดขึ้นเรายึดถือติดหนึ่ได้ทั้ง2 อ, อย่างนี่คืออํานาจของตัณหาที่มันเป็นไปทั้งทางภพให้เกิดภพเรียกว่าภาวะตัณหา เป็นไปทั้งทางที่ทําให้เกิดพบชนิดที่ไม่ต้องการก็พบเหมือนกันแหละก็เรียวิภวตหาเกิดขึ้นได้สองสองทางอยู่ที่ความยินดีความยินร้ายที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเราเห็นคู่ตรงข้ามแล้วเราจะเห็นความไม่เที่ยงเสมอไม่ใช่ฟังให้ดีนะเพื่อนฟังอันนี้ฟังให้ดีเพราะว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นกับเราทุกวันถ้าเราบอกเราเห็นทั้งสุขเราเห็นทั้งทุกข์แล้วเราจะเห็นความไม่เที่ยงมันอาจจะเป็นที่ทั้งเรายินดีและยินร้ายในทั้งสองอย่างนั้นก็ได้ก็ไม่เห็นความไม่เที่ยงอยู่ดีนั่นแหะ เราจะไม่ยินดีในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเราจะไม่ยินร้ายในสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความไม่พอใจได้ข้อต่อเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงต่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอยู่อย่างเดียวอย่เช่นเรามีความสุขแต่เราไม่ได้มีความทุกข์ในตอนนี้เราเห็นความไม่เที่ยงในความสุขนั้นความยินดีก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเรามีความทุกข์อย่างเดียวเราเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความทุกข์นี้ความยินร้ายก็ตั้งอยู่ไม่ได้สิ่งที่เป็นสุขมา สิ่งที่เป็นทุกมาเป็นลาบยศสรนเสริญเป็นเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาพวกนี้จะเป็นสภาวะได้มันจะเป็นที่ให้เกิดพบได้มันจะเป็นพบขึ้นมาจริงๆได้เมื่อเรามีความยึดถือพอเรามีความยึดถือเป็นพบขึ้นมาจริงๆแล้วเราจะไปมีการเกิดในสิ่งนั้นเราจะมีความทุกขเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจริงๆแต่ถ้าเราเห็นสิ่งนี้คือทั้งสุขและทุกมีลาบมียศมีสรนเสริญมีเสื่อมลาบมีเสื่อมยศมีนินทาพวกนี้ ที่มันจะทําให้เกิดเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ยเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นด้ยความเป็นความไม่เที่ยงนะทำให้ความยินดีและยินร้ายนั้นไม่เกิดขึ้นพอไม่ยินดีพอไม่ยินร้ายจิตเราจะไม่ไปก้าวลงตรงนั้นเราจะตัดพบตรงดีได้นี่คือการตัดพบตัดชาติจากความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและไม่ใช่ว่าถ้าเราเห็นคู่ตรงข้ามแล้วเราจะสามารถเห็นความไม่เที่ยงได้ไม่ใช่ หรือไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นกู่ตรงข้ามแล้วเราเสียนความไม่เที่ยงไม่ได้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะความไม่เที่ยงเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วว่าถ้ามันไม่มีอยู่มันเกิดขึ้นมาแสดงมันม่มีความไม่เที่ยงเพราะไอ้เจ้าเสื่อมลาบและลาบมันเกิดขึ้นได้พร้อมกันมันต้องเห็นตรงการเกิดตรงนี้เดี๋ยวบางคนคิดว่าไอ้เราเสื่อมลาบแล้วตรงนั้นเป็นความดับของลาบไม่ใช่ เรามีความสรรเสริญแล้วถูกเขาด่าด้วยอันนั้นเป็นการเสื่อมของการสรรเสริญไม่ใช่แต่เพราะ2 อ, อย่างมันเกิดขึ้นได้พร้อมกันและทั้ง2อย่างนั้นมันก็มีความไม่เที่ยงของมันเราจะต้องเห็นความไม่เที่ยงของเสียงสรรเสริญที่เกิดขึ้นทั้งๆที่เสียงสรรเสริญก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่เห็นพิจารณาโดยแยบขายให้เห็นโดยประจักษ์ให้รู้ชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีความไม่เที่ยงต่อให้เสียงสรรเสริญนั้นยังอยู่ก็ตาม พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าถ้ามีคนนินทาด่าว่ามันมีอยู่แล้วล่ะคนนินทาคนด่าว่าเนี่นินทาด่าว่าให้เห็นโดยประจักษ์ว่าความนินทาด่าว่านั้นมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นถ้ามันยังไม่เคยมีมาแล้วมันมีมาตอนนี้แสดงว่ามันไม่เที่ยงล่ะถ้ามันไม่เที่ยงถึงแม้มันจะยังอยู่ก็ตามตอนนี้ยังมีคนด่าว่าอยู่แต่เราสามารถพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าสิ่งนี้มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแรปรปรวนเป็นธรรมดาคำว่าเป็นธรรมดานี้หมายความว่ามันเกิดขึ้นได้มันก็ดับไปได้มันตั้งอยู่ได้มันก็เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้มากขึ้นได้น้อยได้บางคนเสือเส่อมลาบเสื่อมลาบแล้วก็เสื่อมลาบต่อไปแล้วก็เสื่อมลาบต่อไปเงินก็ลดลงลดลงมันก็มากขึ้นได้มันก็น้อยลงได้ความไม่เที่ยงที่เราเห็นนี่แหละตัางฝังจะทําให้เราสามารถที่จะไม่ยินดีไม่ยินร้าย ไม่ยินดีในภาษาอันเป็นที่ตั้งความพอใจได้ไม่ยินร้ายในภาษาอันเป็นที่ตั้งความไม่พอใจได้การที่ว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้เราได้เงินมาแล้วจะคิดได้ไหมว่าเราจะเอาเงินไปทำอะไรถ้าเราไม่ยินดีในสิ่งนั้นหรือถ้าเราได้ตําแหน่งหน้าที่การงานเสียงสรรเสริญยนยอมมาแล้วเอ้เราจะใช้ตําแหน่งหน้าที่การงานคิดการงานได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ยินดีในสิ่งนั้นมันก็ละเรื่องกันตจะบ้างเพราะว่าถ้าเรามีเงินมาเราได้ลาบมา เราเห็นความไม่เที่ยงละเราไม่ยินดีในลาบสการะเสี false, Western, ep, ยงสรรเสริญเยินยอนี้แต่มันมีมาหน่เราเห็นความไม่เที่ยงกับมันนี่เราไม่ยินดีในสิ่งนี้หน่ความไม่ยินดีอยู่ที่ใจใจที่มีความไม่ยินดีและไม่เกลือกกลัวพอไม่เกลือกกลัวแล้วสามารถตัดสินใจในการใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องมากกว่าเอาก็ใช้ชายตามหน้าที่ที่ประบุทธเจ้าบอกสอนเอาไว้ในในสีหน้าที่แต่ใช้อำนาจใช้หน้าที่ในาตามที่มันควรจะเป็นคุณเป็นเจ้านายก็ให้ลูกน้องทํางานตามกําลัง คุณเป็นลูกน้องก็มีความซื่อสัตย์ทำงานอย่างขยันขันแข็งแนะไม่คดโกงนะมันทำได้ด้วยจิตใจที่ไม่ยินดีในภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจมีความสุขเป็นต้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่ยินร้ายในภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วเอ๊ะมีนี่เกิดขึ้นเนี่ยจะหาทางที่จะปลดหนี้ได้ไหมเนี่ยเด็มันไม่เกี่ยวกันนะบวังหรือว่าฉันถูกคนเขาดา่าถูกคนก็ว่าเั็กจะคิดหาวิธีทําให้คนเขารักได้หรือไม่ ก็บุริษเจาอย่างแสดงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจได้แต่ยังแสดงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความขยันขันแข็งเกิดโกพกซัพ์ได้ความยินร้ายในสิ่งที่ไม่น่าพอใจใเกิดที่ไหนเกิดที่ใจถ้าเกิดที่ใจก็ละที่นั่นละ่ะแต่การงานที่เหมาะสมเราก็ควรทําไปขยันขันแข็งเราต้องมีเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่มันต้องทําแต่ความยินดีและความยินร้ายเราต้องละเสีย อย่าให้ความยินดีในภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเกิดขึ้นอย่าให้ความยินร้ายในภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเพราะความยินดีและความยินร้ายที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้จิตของเรานั้นไปสร้างภพไปสร้างชาติสิ่งที่มากระทบตากระทบหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นสมาธิขั้นลึกซึ่งเป็นสมาธิขั้นธรรมดาเป็นความสุขทางตาทา ง, ทา ง, ทางหูพวกนี้จะเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาได้จะเป็นที่ตั้งแห่งภพได้ ก็ต <formation> ่อเมื dachte, ่อจิตเรามีความยินดีมีความยินร้ายเท่านั้นเองท่านผู้ฟังเราจะไม่ให้ความยินดีและไม่ให้ความยินร้ายเกิดขึ้นได้เราต้องเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นความทุกข์เกิดความทุกข์เกิดให้ครัพเจ้าพูดอีกครั้งหนึ่งความทุกข์เกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความสุขที่ดับไปความสุขที่ดับไปไม่ใช่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราเห็นให้มันถูก พิจารณาให้มันเห็นชัดแจ้งเต็มสองตาที่อยู่ข้างในใจให้เป็นทิฏฐธรรมทิฏฐิแปลว่าความเห็นตามฝังทิฏฐธรรมคือธรรมที่เห็นได้ในปัจจุบันนี้เห็นได้ตามตาเลยว่าไอ้ความทุกข์ที่มันไม่เคยมีมาแล้วมันเกิดขึ้นความเสื่อมลาบที่มันไม่เคยมีมาแล้วความเสื่อมลาบนั้นเกิดขึ้นแสดงว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยแน่ถ้ามันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนะแสดงว่ามันเป็นของอาศัยกันและการเกิดขึ้นแลงวมันต้องมีความแปรปรวนเป็นไปเป็นธรรมดา ถ้ามันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วมันไม่เที่ยงแน่นอนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ควรจะเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราธรรมนีิยธรรมวังธรรมนียเกิดขึ้นในโลกถ้าธรรมนี้เกิดขึ้นในโลกมันก็ดับลงไปที่โลกนี่ล่ะความสุขเกิดขึ้นในโลกความสุขก็ดับลงไปในโลกไม่ใช่เพราะว่าความเกิดขึ้นของความทุกนะ ความสุขดับไปไม่เกี่ยวกับความทุกข์มันจะเกิดหรือมันจะดับความทุกข์เกิดขึ้นในโลกมันก็ดับลงไปในโลกนี่แหละความสุขจะมีไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันเป็นของแยกแก่กันละกันมันเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งของมันของมันเท่านั้นพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ทัว่ามดเป็นการสรุปที่ได้พูดมาทั้งหมดแล้วจบรายการไปเลยพุทธเจ้าได้ตรัสโดยสรุปเอาไว้แล้วอย่างนี้ว่าลาบเกิดขึ้นแกบุตุชน ผู้ไม่มีการสดับและเขาไม่พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์จึงไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแกเราแต่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดัางนี้ลาบนั้นก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ความเสื่อมลาบ เกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับเขาไม่พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์จึงไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าความเสื่อมราบนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่มันไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอย่างนี้ความเสื่อมราบนั้นก็คราบงาจิตของเขาตั้งอยู่ยด เกิดขึ้นแล้วแก่ปุถุชนผู้ไม่มีการสะดับเขาไม่พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์จึงไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่ายศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่มันไม่เยี่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอย่งนี้ยศนั้นก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ความเสื่อมยศ เกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับเขาไม่พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์จึงไม่รู้ชาตามที่เป็นจริงว่าความเสื่อมยศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความเสื่อมยศนั้นก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่นินทา สัรเสริญสุขและทุกข์เกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่มีการสะดับเขาไม่พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์จึงไม่รู้ชาติตามที่เป็นจริงว่านินทาสรเสริญสุขและทุกข์นี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ นินทาก็ครอบงําจิตของเขาตั้งอยู่สัรเสริญก็ครอบงําจิตของเขาตั้งอยู่สุขและทุกข์ก็ครอบงําจิตของเขาตั้งอยู่ผุรุชนนั้นย่อมยินดีในลาบย่อมยินร้ายในความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นย่อมยินดีในยศย่อมยินร้ายในความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินดีในสัรเสริญ ยินร้ายในนินทาที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินดีในสุขย่อมยินร้ายในทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาถึงพร้อมด้วยความยินดียินร้ายอยู่อย่างนี้ย่อมไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไ ร, รําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคลับแค้นใจทั้งหลาย แล้วกล่าวว่าเขายังไม่พ้นจากทุกข์ดังนี้ส่วนเมื่อลาบเกิดขึ้นแกอริยาสาวกผู้มีการสดับเขาพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์จึงรู้ชัดว่าลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแกเราแต่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดัางนี้ลาบนั้น ก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ความเสื่อมลาบเกิดขึ้นแกอริยะสาวกผู้มีการสดับเขาพิจารณาโดยประจักษ์จึงรู้ใช่ตามที่เป็นจริงว่าความเสื่อมลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแกเราแต่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ความเสื่อมลาบ ก็ไม่ครอบงมจิตของเขาตั้งอยู่สุขเกิดขึ้นแกอริยาสาวกผู้มีการสับเขาพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์จึงรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าสุขนี้เกิดขึ้นแล้วแกเราแต่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอยางนี้สุขนั้น ก็ไม่ครอบงามจิตของเขาตั้งอยู่ทุกเกิดขึ้นแก่ริยะสาวกผู้มีการสดับเขาพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์จึงรู้ชา ต, ตามที่เป็นจริงว่าทุกนี้เกิดขึ้นแล้วแกเราแต่มันไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรแปรวนเป็นธรรมดาหนังนี้ทุกนั้นย่อมไม่ครอบงามจิตของเขา นั่งอยู่ยศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริญเกิดขึ้นแกอริยาสาวกผู้มีการสดับเขาย่อมพิจรารณาให้เห็นโดยประจักษ์จึงรู้ชาติตามที่เป็นจริงว่ายศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริ ญ, ญเกิดขึ้นแล้วแกเราแต่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแรปรพวนเป็นธรรมดาดังนี้ยศความเสื่อมยศนินทาสันเสริญก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่เรียสาวกนั้นย่อมไม่ยินดีในลาบย่อมไม่ยินร้ายในความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นย่อมไม่ยินดีในยศย่อมไม่ยินร้ายในความเสื่อมยศที่เกิดขึ้น ย่อมไม่ยินดีในสรนเสริญย่อมไม่ยินร้ายในนินทาที่เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยินดีในสุขย่อมไม่ยินร้ายในทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วเขามีความยินดีและยินร้ายอันละได้แล้วอยู่อย่างนี้ย่อมหลุดพ้นไปจากการเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลําพันธ์ ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจทั้งหลายเรากล่าวว่าเขาหลุดพ้นได้จากทุกเรื่องนี้ได้ตรัสท์คำกรรที่เป็นคาถาสืบตอบไปว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์เป็นสภาพไม่เทียง ไม่แน่นอนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาผู้มีปัญญามีสติรู้ความข้อนี้แล้วย่อมเพ่งอยู่ในความแปรปรวนเป็นธรรมดาของโลกธรรมนั้นธรรมะอันน่าปราถนาย่อมย่อมยีทิตของท่านไม่ได้ท่านย่อมไม่ยินร้ายต่ออนิถารม ท่านขจัดความยินดีและยินร้ายเสียได้จนไม่เหลืออยู่นหนึ่งท่านทราบทางนิพพานอันปราศจากทุลีไม่มีความโศกเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบย่อมทราบได้อย่างถูกต้อง